ดึกแล้วยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งหนาวเย็นท่านเหน็ดเหนื่อยมากับการเดินทางทำไมยังไม่พักผ่อนหลับนอนอีกพระพเจ้าอยากสนทนากับท่านมากกว่าหลับนอนถึงแม้ท่านยังหนุ่มนน่นอยู่ก็จริง แต่พูดจะมีเหตุผลน่าฟังทำให้ขปเจ้าคลายความคิดถึงลูกชายไปมากทีเดียวดูก่อนอุบาสกสมมติว่าบุตรชายของท่านจะมารับท่านไปอยู่ด้วยที่ตุงสาวัตถีท่านจะไปกับเขาไหมข้าพเจ้าต้องตึกตรองดูก่อนถ้าการไปของขปเจ้า จะเป็นเครื่องรบกวนความสุขของลูกท้าพระเจ้าก็จะไม่ไปอยู่ที่นี่ก็หาฟืนง่ายราคางามขายฟืนเกวียนเดียวก็พอกินไปได้รวมเดือนถ้าสมมุติว่าลูกชายของท่านมาเยี่ยมท่านที่กระท่อบนี้ท่านจะยินดีไหมโอ้แน่นอนทีเดียวท่านสมณนะ ข้ปเจ้าจะดีใจและมีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อตอนที่พัญญาขพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ความรักของขพเจ้าแยกออกเป็นสองส่วนเท่ากันส่วนหนึ่งอยู่ที่พัญญาส่วนหนึ่งอยู่ที่บุตรชายเมือ่อพัญญาของขปเจ้าตายไป ความรักทั้งหมดของเขเจ้าก็ไปรวมอยู่ที่บุตรชายคนเดียวเขาจึงเป็นดวงใจของเขเจ้าตราบใดที่เรายังแยกกันเขเจ้าก็จะอยู่อย่างคนไม่มีดวงใจถ้าเขาไมา่เยี้ยมเขเจ้าก็เท่ากับว่าดวงใจของเขเจ้าได้กลับคืนมาอุปสกเอ้ย เวลานี้ท่านได้อยู่ใกล้ลูกชายของท่านแล้วเอะท่านหมายความว่ า, วายังไงสมันนะักท่านพบเขาเหรอือเขากําลังเดินทางมาเยี่ยมข้าพเจ้าใช่ไหมไม่ใช่กําลังเดินทางมาแต่มาถึงแล้วฮะมาถึงแล้วเออเวลานี้เขาพักอยู่ที่ไหนอนะ่ะท่านสมันนะักโปรดบอกข้าพเจ้าเร็วด้วยเถอะข้าพเจ้าจะรีบไปพบเขาเดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องไปพบเขาหรอก เพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าท่านนี้แล้วอยู่ข้างหน้าค่ะพเจ้าถูกแล้วท่านกำลังสนทนากับเขาอยู่พระพมาหมายความว่ า, วาท่านท่านเป็นเรวัตมุดค่ะพเจ้าโอ้ อเป็นความจริงแล้วเนี่ยเป็นความจริง เ, ออเรวัตตะคือข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้าไม่แน่ใจขอให้ข้าพเจ้าตรวจ ด, ดูก่อนตรวจอะไรตรงไหนเออที่ท้ายทอยตรวจดูได้เลยมีอะไรเป็นสําคัญละ่ะเรวัตตะบุตรชายข้าพเจ้ามีฝายเม็ดหนึ่งที่บริเวณท้ายทอยเป็นสําคัญเออ เจอแล้วเจอไฟแล้วโอ้เรวัตตลูกพ่อโ อ, โอ้เรวัตตกลูกพ่อโอ้ไม่นึกเลยว่าจะได้พบลูก อ, อ, ย อ, อ, อยู่กรองให้กเถอะพ่อ จ, จงดีใจเป็นสุขเถอะที่ได้พบลูกชายแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ต้องแยกกันอีกต่อไปแล้วลูกเอยพ่อไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบเจ้าในลักษณะเช่นนี้เมื่อเห็นหน้าเจ้า พอก็คิดถึงแม่เจ้าถ้าแม่เจ้ายังมีชีวิตอยู่แม่ของเจ้าจะดีกใจทักเพียงไนแต่เจ้ามาถึงช้าไปจึงไม่ทันเห็นใจแม่ปฏิดาเอวิญญาณของเจ้าอยู่แห่งใดจงรับรู้ด้วยว่าบัดนี้ลูกของเรามาถึงแล้ว มาดูหน้าลูกของเราด้วยกันเออถอะเธงงบสตอารมณ์สบายแต่พออ่อจะได้ร้องไห้ข้ามควรไปเลยเวันจ่าของพอ่อช่วระยะเวลาหลายปีที่เราจากกันลูกเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าลูกไม่บอกพอ่อพ่อจะไม่มีวันรู้เลย ไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิว่าลูกไปยังไงมายังไงจึงได้มาพบพอ่อลูกจะเล่าให้พ่อฟังเดี๋ยวนี้ เรืทั้งมดก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนี้บัดนี้ลูกได้สละโลกออกบทแล้วไม่เกี่ยวเกาะกับเรื่องของโลกอีกต่อไปชีวิตของลูกเป็นชีวิตอิสระไม่มีสิ่งผูกพันใดๆลูกเป็นสุขสบายแล้วแต่ยังมีอีกสิ่งเดียวที่ลูกยังเป็นห่วงอยู่เจ้าห่วงอะไรเรวตัตตาสิ่งที่ลูกเป็นห่วงก็คือพ่อพ่อ เจ้าเป็นห่วงพ่อถูกแล้วลูกมาที่นี่ก็ด้วยมุ่งหมายที่จะชดพ่อให้ขึ้นมาจากขั้วแห่งความทุกข์ทุกเพราะความยากจนเข็นใจทุกเพราะพลัดพรากจากลูกทุกเพราะพลัดพรากจากปัญญาถ้าพ่อยังอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปพ่อจะไม่มีวันพ้นจากขั้วทุกข์ไปได้เลยแล้วเจ้าจะให้พ่อทํายังไง ไปกับลูกพ่อไปกับลูกสิลูกจะพาพ่อไปสู่แดนแห่งความสุขแดนแห่งความสงบแดนแห่งความอิสระเสรีพ่อไปกับลูกนะลูกนอนซะก่อนเถอะดึกมากแล้วพรุ่งนี้คอยคุยกันใหม่ถ้าอย่างนั้นลูกจะนอนละ่ะพระิดาเอ้ยเมื่อจจนจะสิ้นใจ เจ้าบนเพอละเมอถึงแต่ลูกชายแต่เมื่อลูกชายมาถึงแล้วเจ้ากลับไม่ได้เห็นเขาอ น, นิี้จ้า พ่อพ่อมันั่งอยู่ข้างกองไฟชนีเห็นที่จะตื่นนานแล้วสิพ่อนั่งอยู่ที่นี่เพื่อคอยเอาฟืนใส่ไฟขับไล่ความหนาวเย็นอยู่ตลอดคืนยังไม่ได้หลับเลยตายจริงทำไมพ่อต้องทำอย่างนั้นด้วยนอนเถอะอย่าเป็นห่วงลูกเลยประเดี๋ยวพ่อก็จะไม่สบายเท่านั้นแหละไม่เป็นไรรอง พอเคยซะแล้วบางทีไม่ได้หลับติดๆกันสองสามคืนก็เคยคืนนีพอดีใจเกินไปที่ได้พบลูกเลยทำให้นอนไม่หลับพอรู้สึกคล้ายกับว่าตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวเออเช้านี้พอจะต้องบันทุกฟืนเข้าไปขายในเมืองเพราะถึงกำหนดแล้ว พ่อจะซื้ออาหารอย่างดีมาฝากลูกรอพ่ออยู่ที่นี่นะพ่อไปเถอะลูกจะรอ จึงเดินอุ้มบาตรไตามกระท่อมต่างๆเขาพระเจ้าเป็นภิกษุท่านมาจากไหนจากกรุงสาวัตถีท่านต้องการอะไรต้องการพัดตาอาหารเร็วเอาข่าแล้วก็อาหารมาใส่บาตรแล้ว พ่อมาแล้วเออเห็นไม้เห็นไม้พ่อซื้ออาหารดีๆมาฝากเยอะแยะเลยเออกินให้อิ่มนะลูกลูกฉันเรียบร้อยแล้วและเหลือไว้ให้พ่อส่วนหนึ่งนี่ยังไงละ่ะพ่อกินซะสิเจ้าไปเอาอาหารเหล่านี้มาจากไหนได้มาจากการบินธบาตบินธบาตหมายความว่ายังไงอะตอนที่พ่อฟืนก็ไปขายในเมือง ลูกก็หมจีวร อ, อุ้มบาตรเดินไปตามกระท่อมต่างๆเจ้าของกระท่อมเหล่านั้นก็เอาข้าวและอาหารมาใส่ในบาตรเมื่อได้พออิ่มแล้วลูกจึงกลับกระท่อมนี่เป็นวิธีการคลองชีพของพิกษุเห็นทีเจ้าจะต้องอธิบายให้ละเอียดซะแล้ว ทั้งหมดที่ลูกบอกมานี้พ่อเข้าใจได้ออยังพ่อเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นลูกจะขอถามพ่อบ้างละ่ะถามมาเลยเรวัตเจ้าต้องการจะรู้อะไรในระหว่างที่เราจากกันนั้นพ่อยังเป็นสุขดีอยู่เลยเปล่าเลยลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยมีความสุข อย่าว่าแต่ในระหว่างที่เราพลัดพรากจากกันเลยพ่อไม่เคยมีความสุขตั้งแต่เกิดมาทีเดียวแล้วพ่อคิดว่าใครบ้างในโลกนี้ที่มีความสุขพ่อคิดว่าพวกชนวันนะสูงๆเช่นพราหมณ์กษัตริย์แพทยภูมังคั่งมีทรัพย์มากมีบริวารมากมีเกียรติมากกต่คงจะมีความสุข พ่อเคยเห็นวันหน้าสูงสูงเหล่านั้นหัวเราะสนุกสนานร่าเริงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบางครั้งบางคราวเห็นเขานั่งหน้าเศร้าเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันบางครั้งบางคราวก็เห็นเขาเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครเป็นสุขอย่างเดียวอย่างแท้จริงเพราะโลกนี้เต็ ม, มไปด้วยทุกข์ทุกข์กคือความแก่ความเจ็บความตาย ทุกข์คือความโศกเศร้าที่ไรรำพันทุกข์เพราะพลัดพรากจากคนรักของรักทุกข์เพราะพบกับคนหรือของที่ไม่ชอบใจทุกข์เพราะไม่ได้สมปรารถนาความสุขที่แท้จริงไม่มีในโลกนี้ความสุขไม่มีในโลกนี้คนจะเป็นสุขได้ก็เมื่อความทุกข์น้อยลงอันที่จริงหาใช่สุขไม่เป็นเพราะทุกข์น้อยลงเท่านั้นเอง พระมหาศาลคณาบดีมหาศาลผู้มีทรัพย์มากมีเครื่องบำบัดทุกมากทุกของเขาก็น้อยลงจึงมีความสุขอันที่จริงไม่ใช่สุขเป็นแต่ทุกขได้รับการบำบัดให้ระ ง, งับไปชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกินอาหารระ ง, งับความหิวได้ชั่วคราวประเดี๋ยวก็หิวอีกคนในโลกเข้าใจว่าสุขอยู่ที่ทรัพย์จึงสแสวงหากันไม่หยุดหย่อน ครั้นได้ซับมาแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับได้ทุกมากขึ้นได้รับความทุกขมากขึ้นยังไงที่ว่าได้รับความทุกขมากขึ้นเพราะมีความเป็นห่วงกังวลอยากได้มากขึ้นจึงต่อสู้ดิ้นรนมากขึ้นคนในโลกจึงพากันไล่กวดความสุขแต่ไม่ทันความสุขสักทีความสุขวิ่งหนีไปอยู่ข้างหน้าเรื่อยๆในที่สุดไหนที่สุดอะไร มัจจุราชก็บาคราเอาชีวิตไปดูก่อนพ่อท่านคนเราถ้าวิ่งไล่ความสุขจะไม่มีวันพบกับความสุขถ้าอยากพบกับความสุขต้องหยุดวิ่งหยุดต่อสู้ดินรนนและความสุขก็จะเกิดมีเองชีวิตของสมณนะเป็นชีวิตหยุดวิ่งต่อสู้ดินรนน เป็นชีวิตสงบเยือกเย็นเป็นอิสระไม่มีข้อผูกพันทางกายทางใจสุขชนิดนี้ลูกกําลังเสวยอยู่ลูกกําลังสเวกกงสเวยก็อยากให้พ่อสเสวยด้วยทํำยังไงไปกับลูกไปไหนไปหาพระอาจารย์ทางแคว้นโกสลแล้วลูกจใจพ่อได้อุปสมบทเป็นสมณะเช่นเดียวกับลูกพ่อจะไปอยู่กับลูก แต่ว่ามีอะไรเหรอพ่อกวียนของพ่อโค ข, ของพ่อกระท่มของพ่อเนี่ยจะทํายังไง สิ่งเหล่านี้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงพูดง่ายแต่ทํายากในเมื่อสิ่งเหล่านี้พ่อสะสมขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากแล้วจะไม่ให้พ่อเป็นห่วงได้ยังไงมันเป็นสมบัติของพ่อนะถูกแล้วสิ่งของเหล่านี้เป็นสมบัติของพ่อแต่พ่อก็ไม่ควรจะเป็นห่วงสิ่งที่ควรห่วงก็ตัวของพ่อเอง หมายความว่างไงเรวัตตะกระทอมเกวียนโคเป็นทรัพย์ภายนอกเกิดมาไม่ได้เอามาด้วยตายไปเราก็เอามันไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นถ้าคนอื่นตายหมดของเหล่านี้จะถูกทอดทิ้งไว้กับโลกนี้พร้อมเป็นสมบัติของโลกเราเกิดมาก็ยืมโลกใช้ชั่วคราวเมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ส่งคืนให้แก่โลกเท่านั้นเอง อย่างนี้แล้วจะโวเป็นห่วงอะไรกับของของคนอื่นเจ้าพูดอย่างนี้ทำให้พอมองเห็นแล้วว่าชีวิตคนอย่างพอ่อเป็นชีวิตคับแคบเต็มไปด้วยภาระผูกพันไรอิสระภาพแต่ว่าชีวิตภิกษุอย่างลูกเป็นชีวิตที่กว้างขวางหมดภาระกังวลอิสระเสรี ส ง, งบเย็นพอเพิ่งจะมองเห็นเดี่ยวนี้เองว่ากระทอมกุยนและโคคู่ชีพของพอ่อเหมือนหนึ่งก้อนดินไม่ควรจะหวงแหนถ้าเช่นนั้นพ่อจะไปกับลูกใช่ไหมแน่นอนพ่อตกลงใจแล้วที่จะไปกับเจ้าสมบัติของพ่อทั้งหมดจะยกให้เป็นทานแก่ชาวบ้าน เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางทันที คือหมู่บ้านริมปากทางเข้าดงใหญ่ที่เจ้าและอาจารย์เคยอยู่ประจำเป็นเวลาถึงห้าพันษาใช่ไหมถูกแล้วแต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้หมายความว่ายังไงเรวัตตะไม่เห็นอาจารย์และเพื่อนภิกษุที่เคยเป็นโจนมรมาด้วยกันสักคนเดียวไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อชาวบ้านเดินมานั่นลองถามดู คงจะได้เรื่องบ้างหรอกเดี๋ยวก่อนท่านผู้นั้นขอถามอะไรสักนิดเถอะท่านจะถามอะไรโปรด ถ, ถามเถิดภิกษุที่ประจำอยู่ที่นี่หายไปไหนกันหมดท่านพอจะทราบไหมอ๋อภิกษุที่อยู่ที่นี่ได้ไปจากหมู่บ้านนี้นานแล้วไปไหนไปทางกรุงสวัสดีไปทำไมไปเฝ้าบรมศาสดาเพราะมีเสียงเล่าลือกันในเวลานั้นว่าพระสมณโคดม ใกล้เสด็จมาประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีตามคำรัตนาของอนาถบัณฑิตมหาเศรษฐีขอบคุณท่านที่ให้ความประจักษ์พ่อเราเรียดเดินทางไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อกลับถวายบังคมพระบรมศสดารีริเธลูก จากกรรแรมมาเป็นเวลาเดือนเศษก็บรรลุถึงกรุงสาวัตถีและได้เข้าพักอาศัยอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพ่อได้บวชเป็นภิกษุในเวลาต่อมาท่านเป็นพระแก่ที่ขยันกระทาความเพียรเพื่อพ้นทุกข์จนไปที่รู้จักกันทั่วไปในเชตวานารามรู้สึกสบายใจ ไม่เป็นห่วงกังวลเหมือนแต่ก่อนแม่ก็ตายไปแล้วพ่อก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วไม่มีใครต้องกังวลอีกจึงตั้งหน้าศึกษากรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วเข้าสู่เสนาสนะอันสนัดจิตใจแน่วแน่ต่อข้อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น เย็นแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงคำอยู่ในคำมศสาลาท่ามกลางบริษัททั้งสี่ที่นั่งข้าพเจ้าตรงข้ามกับที่นั่งของอุบาสกอุบาสิกาพอดีเพียงแต่ทอสายตาไปข้างหน้าเท่านั้น ก็จะมองเห็นทุกคนได้ถนะัดเพราะที่นั่งของภิกษุสงฆ์สูงกว่าพวกอุบาสกอุบาสิกาแต่ตามปกติภิกษุทั้งหลายจะทอดสายตาลงต่ำตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาไม่มีรูปใดบังอาจมองไปทางอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมนั้นมาอย่างเคร่งครัดแต่เย็นวันนี้รู้สึกว่ามีอำนาจอะไรบางอย่าง ก็ไม่อยากมองไปทางครวาตจึงก็ค่อยมองไปทางอุบาสกอุบาสิกาแต่ทันใดนั้นสายตาก็ประสานเข้ากับสายตาของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังจ้องมองอยู่แล้วตกใจรีบหลบตาก้มหน้าลงมองตามตามเดิมแต่ภาพใบหน้าของเธอติดตาฝังใจซสแล้ว พยายามลบเลือนด้วยการนึกถึงภาพอื่นๆแต่ก็ไม่สาเร็จฝั่งพระธรรมเทศนาโดยใจอันวุ่นวายอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆมองไปทางหญิงสาวคนนั้นประหลาดแทๆ้ๆเธอกำลังมองอยู่เหมือนกับคราวก่อนไม่ว่าจะมองดูอีกสักกี่ครั้งก็พบเธอมองดูอยู่ก่อนแล้วทุกครั้งดูท่าทางเธอช่างสนอกสนใจักจริงๆ สังเกตชั่วระยะเวลาอันสั้นเธอเป็นหญิงสาวที่สวยมากคนหนึ่งเท่าที่เห็นมาความงามของเธอทําให้จิตใจวันไหวไปบ้างเหมือนกันพยายามที่จะเพ่งให้รูปนั้นเป็นซากศพเป็นภาชนะดินที่เต็มไปด้วยของเน่าเหม็นตามที่อาจารย์เคยสอนแต่จิตใจไม่เห็นตามยังเห็นเป็นของสวยงามอยู่ร่ำไป เป็นทะาบาในกรุงสาวัตถีตามปกติแต่เอาจะเคราะหร้ายอยู่สักหน่อยไม่ค่อยจะมีคนใส่บาตจึงตัดสินใจเดินไกลไปกว่าที่เคยเดินออกไปช้าๆด้วยอาการสำรวมทอดสายตาไปข้างหน้าช่วระยะสี่ศอกตามแบบอย่างอริยวงขานิมนต์พระคุณเจ้าแวะมาโปรดทางนี้ก่อน เงยหน้าขึ้นมองไปทางเสียงนั้นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างประตูประสาทหลังใหญ่ในมือมีภาชนะอาหารสำหรับใส่บาทหญิงสาวคนนั้นจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่พกในธรรมศาลาเมื่อเย็นวานและประสาทหลังนั้นเป็นของท่านสุมางคละน บินธบาตจากหญิงสาวได้มือค่อนข้างสั่งลับแล้วก็ออกเดินต่อไปแต่ไม่ไกลนะักก็ตัดสินใจกลับเพราะสายมากแล้วพอหันหลังกลับก็พบหญิงสาวคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมและจ้องมองดูตลอดเวลารู้สึกไม่สบายใจเลยจะต้องเดินผ่านเธออีกครั้งหนึ่งแต่จําเป็นต้องผ่านเพราะไม่มีทางอื่น พอมาถึงข้างหน้าเธอก็มีขอในมนพระคุณเจ้ามารับบิณฑบาต ท, ที่นี่อีกลีลาวดีเจ้กากสบาทแล้วเหรอใส่แล้วค่ะแม่เพิ่งจะรู้แน่ชัดเดี๋ยวนี้เองหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นที่แท้ก็คือลีลาวดีลูกสาวคนเล็กของท่านขหาบาดีผู้มีพระคุณนั่นเอง ฉันกลับไปมองดูเธออีกครั้งแต่เธอก็เข้าไปในบ้านแล้วชั่วระยะเวลาหลายปีที่จากกันเวลาวดีเปลี่ยนแปลงไปมากจนจำเธอไม่ได้และเธอก็คงจำข้าพเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกันบัดนี้ได้พบและรู้จักเธอแล้วแต่เธอยังไม่รู้จักข้าพเจ้าโอ้ยจิตใจฝุ่งฟ้านหรือเกินแล้ว ว่าจะปกปิดไม่ให้ลีลาวดีรู้ว่าเป็นใครเพราะถ้าเธอรู้ความสัมพันธ์จะต้องเปลี่ยนไปนั่นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเช้าวันนี้ดีลาวดีไม่ได้ใส่บาทหน้าประตูแต่นิมนต์ให้เข้าไปฉันพัตนาหารภายในประสาทจะขัดขืนก็ไม่ได้เพราะชีวิตสมณะต้องพึ่งพาอาศัยชาวบา้านจิกต้องรับนิมนต์เพื่อรักษาศรัทธาของเข้ไว เมื่อนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดไว้ในห้องชั้นล่างของปราสาทแล้วเทลาวดีก็นำบาตรบรรจุอาหารรสเลิศมาถวายขณะที่ฉันเทลาวดีก็มานั่งอยู่ใกล้พร้อมด้วยนางพรามณีและนางข้าศ์บางคนทุกคนจ้องมองมาเป็นตาเดียวแต่ก็ทําเป็นไม่เอาใจใส่ก้มหน้าฉันเรื่อยไปฉันเสร็จ